ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้จะได้บรรยายในเรื่องอุปสารหากกชาดกซึ่งว่าที่จริงก็เป็นชื่อของพรามเฉยๆพรามในอดีตจะชื่อว่าอุปสารหากกมีข้อความในตอนต้นโดยสรุปว่าคราวหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเวลุวันกลันตกะกาณวาปะสถาน รามคนหนึ่งท่านเป็นห่วงเป็นใยญ่ร่างกายของท่านว่าเวลาตายไปแล้วกลัวว่าศพของท่านจะไปปะปนกับศพของคนอื่นจะทําให้ท่านแปดเปื้อนไปด้วยก็เลยเรียกลูกชายมาบอกว่าเมื่อพ่อตายนั้นขอให้ลูกนําพ่อไปเผาในที่ที่ไม่เคยเผาใครมาก่อนเลย ลูกชายบอกว่าไอ้ที่อย่างนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่ามีอยู่ที่ไหนถ้าดีพ่อจะไปชี้ไปก่อนก็แล้วกันว่าตรงไหนไม่เคยเาผาคนบ้างจะได้ปฏิบัติถูกพ่อก็นำลูกชายขึ้นไปที่ภูเขาขิดจักูดก็ไปชี้ในจุดหนึ่งว่าตรงนี้แหละเป็นที่สะอาดไม่เคยเผาใครมาก่อนเมื่อพ่อตายก็ขอให้ลูก นำศพพ่อมาเผาในที่นี้เพื่อไม่พ่อต้องแตดเปื้อนกับทากศพของบุคคลเด่นก็พอดีในวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสวดดูสัตว์โลกตามปกติคือพุทธกิจของพระองค์อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วก็ทรงสวดดูเห็นอุปนิสัยของพรามสองพ่อลูกจึงได้เสด็จไปรอสองคนนั้นอยู่เวลาเขาลงนฮะ คือให้เขชี้ที่เสร็จก่อนแล้วก็ไปรออยู่เมื่อพราหมณ์สองพ่อลูกเดินผ่านมาก็รับสั่งถามว่าเป็นไหนมากันพราหมณ์ลูกชายก็กราบทูลให้สงสาบทั้งหมดเพาะพ่อต้องการให้มาชี้นาพ่อมาชี้สถานที่ที่ไม่เคยเผาคนตายเพื่อจะได้เผาพ่อเวลาพ่อตายไปพระเจ้าก็รับสั่งชวน สองคนกลับไปอีกทีนะึ่งออกมาจะให้ไปชี้ดูว่าสถานที่ตรงไหนเมื่อสองคนพ่อลูกขึ้นไปชี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่ารับสั่งว่าพ่อของเธอในกนิสัยอย่างนี้ในชาติก่อนกนิสัยอย่างนี้เ่หาที่สะอาดสะอาดบอกว่าหาที่สะอาดสะอาดเพื่อจะได้เผาตัวเอง และตัวเองจะได้สะอาดไม่ใช่ทเาเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นชาติก่อนก็เคยทาําอย่างนี้แล้วก็ทําอย่างนี้มาเรื่อยๆทุกชาติเลยเมื่อบุตรของพราหมณ์กราบทูลถามพระองค์ก็รับสั่งเล่าถึงพราหมณ์คนหนึ่งในอดีตการนานไกลมาแล้วที่พราหมณ์คนหนึ่งชื่ออุปสารหกะเป็นคนรักสะอาดแล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวเองเป็นคนที่สะอาดมากเพราะัานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับแกจะต้องสะอาด จนถึงแม้ที่จะเผาศพก็ต้องสะอาดคือต้องไม่เคยเผากดะตืมาแล้วก็เรียกลูกชายมาสั่งโดยในยะเดียวกันเลยและในที่สุดก็ท่านฤาษีผู้ดได้อภิญญาคือลึกชาติได้นะฮะก็ได้มาพบเข้าก็คุยกันและฤาษีตนนั้นก็ชี้ให้ทราบว่าในที่ที่คุณบอกว่าไม่เคยเผาใคร ที่ที่คุณบอกว่าสะอาดนั้นมันเคยเผาคนมาเป็นอันมากแล้วโดยเฉพาะ พ, พราหมณ์คนหนึ่งที่ชื่อว่าอุปสารหกะได้เคยเผาทรงนี้ซ้ำซ้อนมาเป็นหมื่นหมื่นครั้งแต่ในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ทรงสรุปแสดงว่าในโลกนี้ไม่มีที่ไหนนะที่ที่สัตว์โลกไม่เคยตายนั้นไม่มีเลยในโลกนี้มีแต่ที่ที่สัตว์โลกเคยตายแล้วด้วยกันทั้งนั้น แปลว่าในโลกนี้มีธรรมะที่จะทำผู้ปฏิบัติไม่ให้ตายแล้วก็ส่งแสดงธรรมะห้าขอ้อคือหนึ่งสัจจะสองธรรมะสาอาหิงสาสี่สัญญมะแล้วก็ห้าธรรมะว่าเป็นธรรมะที่ทำบุคคลผู้ปฏิบัติแล้วไม่ให้ตายจนถึงกับ ไม่ต้องเกิดจากนั้นก็ส่งสรุปประชาดกเหตุการณ์ในคราวนั้นบุคคลสามคนเหมือนกันบุคคลสามคนเหมือนกันคือฤษีอุปสราานากรพราหมณ์กับลูกชายพอมาเกิดในปัจจุบันก็มาเจอกันอย่างเงี้ยท่านฤษีก็คือพระพุทธเจ้าอุปสรนากรพราหมณ์ก็คือพรามคนเนี้ยแล้วก็ลูกชายก็คือลูกชายคนนี้ ในที่สุดแทงพระธรรมเทศนาสองพ่อลูกก็เข้าใจธรรมะแล้วก็ได้บรรลุโสดาปัติผลนี่เป็นข้อความโดยสรุปในอุปสารอกาศชาดกแต่แประการแรกท่านจะเห็นว่าความคิดในเรื่องสถานที่ที่สะอาดสถานที่ที่คนไม่เคยตายก็เป็นความคิดมาในแง่ในมุมต่างๆและโดยสมัยนั้นรู้สึกว่า คนไม่คยสนใจเท่าไหร่นะฮะกับเรื่องจะตายแต่เขาเป็นห่วงเป็นใยเรื่องตายไปแล้วจะเป็นยังไงมากกว่าแล้ก็เชื่อมั่นว่าชีวิตนั้นจะต้องจบที่ความตายแต่เป็นห่วงว่าตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดอย่างไรแต่ก็ไม่ติดใจวัฏฏานที่นั้นอยู่ที่ไหนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าคิดไปอย่างหนึ่งฮนะ ไม่มีคนเคยถามพระพุทธเจ้าเลยว่าสวรรค์อยู่ตรงไหนนะรกอยู่ตรงไหนมีคนสมัยนีย้ชอบถามแล้วคนที่ไปเจอกับคนรู้เขาไม่ถามปัจจุบันนี่มาถามคนไม่รู้เลยก็ชวนกันเข้าป่าสนุกกันไปเลยที่จริงประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนั่นอยู่ตรงที่การกระทำแท่นั้นเองการกระทําเป็นเหตุแห่งสุคติเป็นเหตุแห่งทุคติก็พอแล้วรู้เท่านั้นพอแล้วส่วนจะอยู่ตรงไหนนั้นค่อยรู้เวลาตายไปก็ได้กัน เราจะต้องไม่พราะว่าพระบุญจุดเกิดไปเรื่องพราหมณ์ที่ต้องการความสะอาดคือพราหมณ์ในเขามีความคิดเดือเกิดเป็นความคิดที่หลงตัวหลงตัวเองว่าตัวเองนั้นมีคันที่บริสุทธิ์หมดจดจริงๆเลยไม่มีใครเสมอเหมือนเลยเป็นวันณนะขาวเป็นวันณนะบริสุทธิ์เป็นเกิดมาจาก อ, อง์โอดของพระพรหมอันพระพรหมสร้างอันพระพรหมบันดาลก็ ว, ว่ากัน่อก็เชียร์ตัวเองทั้งนั้นนะฮะ ที่นี้แกก็ลืมไปว่าแท้แด้จริงแกเป็นอย่างไรนะคนอื่นก็เป็นอย่างกันเลือดเนื้อเนือเน้อหนังมังสาอะไรต่อะไรมันก็เหมือนเหมือนกันพระพุทธเจ้าจึงมักจะเน้นในประเด็นให้เห็นความไม่ต่างกันนี้อยู่เรื่อยๆอย่างที่เคยกล่าวมาในหลายสูตรแล้วแต่มาพราหมณ์คนนี้แปลกคือเกิดเป็นเลือกในสถานที่ที่ไม่ตายสถานที่ที่คนไม่เคยตายจริงในกรณีนี้ก็ พระพุทธเจ้าบางทีพระองค์ก็ใช้เป็นแนวในการสอนธรรมะอย่างพระกีสาโคจะมีเป็นพระภิกษุณีที่มีชื่อเสียงมากอันนั้นท่านลูกท่านตายแต่ท่านไม่ยอมรับเอาลูกตายก็หาวิธีที่จะแก้ไขให้ลูกฟื้นทั้งที่ทเริ่มจะขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าเห็นว่าจะคุยกันตรงๆคงไม่รู้เรื่องเนาะมนก็ต้องปล่อยให้แกปรับใจให้ได้เสยก่อน รับสั่งให้ไปห า, มาเมล็ดพันธุ์ผักกาดเป็นยากแก้โรคตายแต่มีข้อแม้ว่าต้องเอามาจากบ้านคนที่เขาไม่เคยตายคือไม่มีญาติพี่น้องคนไหนเคยตายมาเลยในบ้านนั้นแล้วก็เอามาปรากฏว่าแกเดินหากันทั้งวันะก็ได้แยะมเล็ดพันธุ์ผักกาดคนก็ใข้แะเพราะของไม่ได้แพงอะไรแต่พอถามไปถามมาก็มีคนตายอะไรต่างนั้นแกค่อยปรับใจปรับใจปรับใจไปโดยลําดับ แล้วพระเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นถึงสัจจะของชีวิตที่จะต้องจบลงอย่างนี้และในที่บางแห่งนะครับเราจะเห็นว่าคนบางคนกลัวตายอย่างพระเจ้าสุภพุทธะพระเจ้าสุภ พ, พุทธะที่ถูกธรณีสูบอะแกะเบียดเบียนพระพุทธเจ้าแกแคนพระพุทธเจ้าไปได้ลูกสาวแต่งงานกับลูกสาวอยู่ก็ไม่กี่ปีหนีออกบวชลูกชายบวชก็ ไม่เป็นที่โปรดปรานนะฮะคือแกมีความรู้สึกอย่างนั้นว่าทแท้จริงเทวทัตแกหาเรื่องทั้งแกเองพอพระพุทธเจ้าเสด็จบิณตบาตแกเอาไอา้ของมาขวางไว้ไม่ให้เดินไม่เดินพระพเจ้าก็ไม่รับสั่งอะไระเสด็จกลับไปบอกว่ากรรมที่ปิดกั้นทางพระพุทธเจ้าเนี่เป็นบาปมากเพราะงั้นภายในเจวันเนี่ยลุงจะตกนรกที่ใต้บันไดกิจจะถูกตนีสูบที่ใต้บันได แกก็ตั้งกองอาละขาอย่างใหญ่เลยให้คนปิดประตูขังตัวเองไว้ใน ก, งกรงแล้วก็มีนายทหารใหญนะ่คอยกั้นไว้ตลอดเลยว่าถ้าแกออกมาระยะเจ็ดวันเนี้ต้องทําอย่ายงไงอย่าให้แกออกมาแล้วประวันที่แปดเนี่ยแกจะไปปรับโกหกพระพุทธเจ้าจะปรับอาบัติพระพุทธเจ้าวางยังวางแผนบาปเหมือนเดิม <laughs> ก็จะลงมาแกอยู่กังแกเรียบร้อยนะฮะในในหวันแรก พอถึงวันที่เจ็ดได้เรื่องเลยมาสรงของท่านเกิดคึก ข, ขนองอารวาดใหญ่แล้วใครปราบไม่ได้แกปราบไม่ได้ท่านจะต้องปราบเองมาตัวนั้นกระเดื่นปราบไม่อยู่พอได้ยินเสียงมา ก, ก็รีบลงมาไอประตูประตูมันก็เปิดทหาร น, นก็ยืนมองเฉยบางคนก็ผลักหลังเลยพอดีก็ลงตามที่ว่าเลยไม่ได้ปราบอาบัตธเจ้านี่เราจะเห็นว่าไอที่สถานที่ตายนั้น ไม่มีหรอกที่ว่าคนไม่เคยตายบางคนตายในถ้ำบางคนตายบนอากาศบางคนตายอย่างยังไม่น่าเชื่อว่าจะตายนะฮะอย่างในสมัยพุทธกา์ในพระเจ้าได้เล่าถึงไม่ใช่พระเจ้าเล่านะฮะคือคนอื่นก็พบเ็นแล้วมาถามพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อว่ามันจะมาตายอย่างนั้น มีคนมีชาวนาเขากำลังเผานาแล้วไฟเป็นลุกไหม้เสเวนหมอ้อพอดีก็มีความไอ้ลมหัวด้วนน่ะมาพัดเสเวียนหม้อนั้นขึ้นไปอยู่อากาศมันก็วงกลมนะฮะไฟมันก็ไหม้รอบอีกาตัวหนึ่งบินมากลางอากาศเอาคอสอดชั่วเข้าไปที่ตั้งเยอะแยะนะไม่สอดก็ไปไปสอดในเสเวียนหมอนะ่ะก็หล่นมาตายแล้วก็พระแล้วมีผู้หญิงไปตายในแม่น้ําฮะ ที่ที่ที่เขาเดินทางพระก็ามาเล่านะฮะเขาเห็นอะไรแล้วก็มาเล่าหลวพุทธเจ้าหลายเรื่องด้กันพระเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่าไอท้ที่ที่สัตว์ไม่เคยตายไม่มียตายในอากาศตายในทะเลตายในถ้าห น, นีไปอยู่ที่ไหนก็ต้องตายเพราะในการที่พราหมณ์คนนี้แกพยายามจะหาที่ที่คนไม่เคยตายจึงหาไม่ได้และประการต่อไปเนี่ยคือคือท่าลองหลับตาลองนึกดูว่าเออพุทธจริยาดันมาหน้าประทับใจและอบอุ่นมากได้เกินนะฮะ อบอุน่นมากพราหมณ์สองคนพ่อลูกขึ้นภูเขาคิดตกูดก็ไม่ใช่เตี้ยเตี้ยอะไรนะเหนื่อยประสมควนสมัยนั้นด้วยนะพระพุทธเจ้าไปนั่งรออยู่ไปประทับรออยู่เวลาเขาลงมาแล้วก็ทักทายโอภาปราศัยคือไม่มีอะไรเจ้ายศเจ้า อ, อย่างอะไรเลยนะโอษฐาเนี่ยดูแล้วเป็นภาพที่อบอุน่นมากเลยทักทายทักเขาก่อนไม่ใช่ว่าเขาทักก่อนนะทักเ้าก่อน ก็เป็นการเริ่มเรื่องที่จะดึงเข้าหาให้ความเป็นกันเองกับบุคคลเหล่านั้นเพรานั้นภาพเหล่านี้เป็นภาพที่ยิ่งอ่านเรายิ่งมีความประทับใจในพระาศาสดาของเราว่าทุกเรื่องนะฮะมันเพิ่มพูนสัทธาปสาทะได้ทั้งหมดเลยทีนี้การรับสั่งนั้นก็รับสั่งแบบธรรมดานะฮะไปไหนมากระทักทายแบบธรรมดาธรรมดา ซึงก็นแน่นอนว่าถามอย่างนั้นก็ต้องเล่าเล่ามันก็สืบเรื่องกันไปได้แล้วพระเจ้าก็ชวนกันเดินกันไปนะฮะก็ดูภาพท่านมองหลับตาดูภาพเป็นภาพที่งามมากเลยหลัไปแล้วก็ไปชี้หลุมกันดูลักษณะเหล่านี้เราลองดูบางครั้งที่พระเจ้าแก้ปัญหาของพระเช่นว่าพระองค์หนึ่งอยากศึกมีเงินมีทองอยู่บ้างแล้วนะฮะท่านมีความคิดว่ามีเงินมีทองอยู่บ้างแล้ว จะสึกไปจะทำนาจะเลี้ยงโคจะทำอะไรตัวอะไรก็ท่านทว่าไปได้พระพุทธเจ้าท่านก็ให้เอามาเล็ดกรวดมานั่งนับกันนั่งนับกันสองคนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็นั่งเอาข่าวัวเท่านั้นค่าเสื้อผ้าเท่านั้นค่านั้นตานั้นก็ดูบนภาพเนี่ยฮะผ้าเป็นกันเองเหมือนกับมันก็พ่อมานั่งคุยกับลูกเหมือนกับปู่มานั่งคุยกับหลานนะฮะภาพมันอุ่นมากเลยให้ความมาอุ่นเป็นกันเองมากในกรณีนี้ก็เหมือนกันนะ ก็ชวนกันเดินไปถึงก็ชี้ที่พระเจ้าอกก็รับสั่งเล่าเป็นการกระตุ้นนะฮะเป็นการกระตุ้นบอกอ๋อพ่อของเธอมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้มาเฉพาะชาตินี้เท่านั้นเป็นคนชอบสะอาดไปอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เคยเจอที่สะอาดจริงๆสักทีหนึ่งแล้วก็เล่าเรื่องอุปสรรกะพราหมให้ฟัง เ, เราเร า, เรามองดูโครงสร้างของเรื่องทั้งสองเรื่องที่จริงเป็นเรื่องซ้ํานะฮะเปลี่ยนเฉพาะบุคคลนั้นเอง ซึงทำให้ได้หลักอีประการหนึ่งว่าเส้นทางชีวิตของท่านในอดีต ท, ที่จริงเป็นเส้นทางที่ซ้าๆซอนๆกันเราก็เดินบนเส้นทางสายนั้นพระพุทธเจ้าเดินไปในอดีตยังไงพระอราหันต์ก็เดินเหมือนกันแล้วพระอรหันต์ในยุคในสมัยไหนก็เดินทางเดียวกันนันแหละประสบความสำเร็จเหมือนกันพระพุทธเจ้าในอดีตเป็นยังไงพระพุทธเจ้าของเราก็เดินไปทางสายนั้น พระพุทธเจ้า ต, ต่อไปก็เดินทางไปนั้นมันแบบวิถีชีวิตของคนเราเนี่มันก็ลงตัวมีลักษณะมีลักษณะลงคือมันมีแบบกันอยู่แต่ว่าของเราบางทีตรงนี้ไปเหมือนคนนั้นตรงนั้นไปเหมือนคนโ น, น้นตรงโน้นไปเหมือนคนโน้นอะไรเนี่ยแต่ว่าแบบมันมีอยู่หมดแล้วนะให้เราสังเกตดูว่าแบบทั้งหมดนั้นมีอยู่หมดแล้วบางทีมันเปลี่ยนเฉเพาะโครงสร้างาเปลี่ยนเฉพาะเปลี่ยนเฉพาะไอ้สิ่งเหล่านั้นแต่โดยเนื้อหามันไม่เปลี่ยนคือเปลี่ยนเฉพาะรูปแบบ แต่ว่าตัวนเนื้อหาจริงๆไม่เปลี่ยนเราลองดูแนวแนวแนวความคิดในสังคมไทยนะฮะสังคมไทยเรามองย้อนให้ประวัติศาสตร์ไปไกลลิฟต์ยังไงก็ได้สังคมไทยมีลักษณะอย่างหนึ่งซึ่งไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะก็ต้องพยายามแก้กันนานมารสมควรความคิดของคนไทยนั้นไม่ค่อยสนับสนุนส่งเสริมกันพอรู้ข่าวชาวนาพอรู้ข่าวว่าเพื่อนทํานาได้ข้าวตัวข้าวเสร็จเตรียมปล้นแล้วเตรียมปล้น คือถ้าเห็นใครร่ำรวยขึ้นมาตัวเองจะต้องปล้นนั่นอีกแนวหนึ่งแรงมากเกิดที่อาชญากรรมเกิดขึ้นในแนวนั้นรู้ข่าวคนเบิกเงินมาไปปล้นมันจนเท่าๆก็แกนะฮะแต่ที่แกไม่จนนะเพราะเพราะว่าแกก็ได้อีกแนวหนึ่งนั่นก็คือใครมีอะไรฉันอยากมีด้วยมีอะไรฉันอยากมีด้วยในที่สุดจะมีการแข่งขันกันสร้างสึงเหล่านั้นขึ้นมาจากพื้นฐานสังคมเลยนะฮะ ปลูกมันนาปลูกพริกปลูกมะเขือเล่นกันมันเผือกไอ้อ้อยมันสำปะหลังขึ้นมาเรื่อยฮนะแล้วลองลองดูเราปลูกแข่งกันนะปลูกแข่งกันแล้วสินค้าลดแล้วก็ชวนกันเจงพอเรามามองดูระดับสูงขึ้นไปพอเขาเรียนเออก็เรียนแพทย์รวยดีก็แย่งเรียนแพทย์การเรียนวิศวะดีก็เรียนเรียนกันจนล้นหมดเลยเพราะฉเรียนเรียนล้นหมดเวลานี้ทุกสาขาวิชาล้นหมดเลย แม้แต่แพทย์เองในเองนะตามใจติบอกยังล้นอยู่ตั้งหกปอเซ็ไม่ทราบไปอยู่ตรงไหนต้องสายไปค้าขายมั้งแพทย์ไม่น่าจะล้นนะฮรเพราะว่ายัางมีงานอยู่เยอะทีนี้พอพอเรามามองมองดูนะฮะในด้านของการทํางานฮพอเห็นใครร่ํารวยด้วยอะไรเราจะเอาด้วยะก็ร่ํารวยด้วยหมู่บ้านจัดสรรเราจัดสรรด้วยร่ารวยด้วยแฟลตเราเราขอรวยด้วยรสร้างแฟลตด้วยแล้วก็วิ่งมาเรื่อยฮะจนมาออกห้างสรรพสินค้าทุกวัน ลานสกเกต็ตดตอนนี้ก็วัยรุ่นเล่นลานสกเกต็ตก็รีบพุบอะไรหายที่เต้นดิสโก้เป็นลานสกเกต็ตเห็นรวยดีแ ล, แล้วก็แข่งกันเจ๊งฮะผลท้ายก็ต่อไปบางก็ซบซอลแล้วก็หาของเล่นเรื่องอื่นสว น, สวนสนุกเราก็เริ่มเล่นสวนสนุกกันมารือยนะ้ำมเนร่วมกันมาเรื่อยแล้วก็ซบซอลกันไปเรื่อยนึกก็เปลี่ยนเล่นที่จริงรูปแบบความคิดนั้นคือหมายความมาเห็นคนอื่นรวยฉันต้องการรวยด้วยเห็นคนอื่นรวยด้วยวิธีนี้ฉันก็ขอรวยด้วยวิธีนี้ด้วย แล้วก็ทำตามกันขึ้นมาเพราะงั้นนั่นคือความคิดที่เป็นรูปแบบตัวเนื้อหาจริงๆไม่เคยเปลี่ยนเลยคือเห็นคนอื่นได้ดีขออยากได้ดีด้วยแต่อยากได้ดี ว, วิธีนี้ที่จริงมันก็ดีกว่าวิธีปล้นเขานะฮะแต่ถึงอย่างนั้นก็ในที่สุดเราก็จะไม่ได้แล้วคนอื่นจะถูกลดลงไปไปดูที่ต่างจังหวัดสร้างโรงสีเอาแข่งกันต่างโรงสีคนน้นสร้างโรงสีเห็นได้เงินแยะตัวเองก็สร้างด้วย ตร้างไปสร้างมาลดค่าสีข้าวก็ลดค่าสีข้าวต่างคนต่างลดแข่งกันลงมารถแข่งกันลงมาเอาสีให้เฉยเฉยเอาจะขอเฉพาะรำํำเฉพาะรําเอาไอ้นอนก็เอาเฉพาะราด้วยพอเอาเฉพาะรออ า, าะรในเรื่องจุดต้องลดเลยสีฟรีเลยแล้วก็ช่วยกันขายรงสีต่อก็เล่นใหม่นั่นคือความคิดที่เราสรุปรวมว่าก้าวหน้าแต่ไม่พัฒนาก้าวหน้าจริงแต่เราไม่ได้พัฒนาความคิดเลยโครงสร้างความคิดยังเหมือนเดิม ตั้งแต่โบราณในการมาเป็นแห่งนี้เพราะฉะนั้นไอ้บ้านเมืองเราจึงจึงมีลักษณะที่มีปัญหาวันก่อนนี้ไปเชียงใหม่ท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอายุแปบปีแล้วท่านรู้ข่าวว่ามาไปบอกรู้จักชื่อมานานขอดูหน้าหน่อยก็ให้คนมารับไปทลานก็แก่แล้วนะไปก็คุยกันกันนะฮะแล้วก็ท่านก็ให้อัดเทปเอาสถิติอะไรให้มาเมื่อคือนก็เปิดฟังแต่มันเหนื่อยมากไปหน่อยเลยวางได้นิดเดียวหลับก็ สรุปแล้วว่าบ้านเมืองเราอาจยากรรมตั้ง30สป่าเปอรเซ็นคือหมายความว่าคนในแสนคนนะฮะทำผิดตั้งสาคนอาจยากรรมเราชนะเพื่อนหลุดลุ้ยหมดเลยที่ที่ททรอบๆ บ, บ้านเรานี่เป็นสติติกลมกลมประชาธิปันธ์และอาจยากรรมเหล่านั้นนะฮะมันก็เป็นอาจยากรรมที่ทําซ้อนจึงก็เคยเกิดมาแล้วครั้งแล้วครั้งล่าไม่ได้ผิดแผกไปแต่ประการใดเปลี่ยนแต่คนเปลี่ยนสฐานที่เปลี่ยนแต่การกระทำเท่านั้น พอมาดูโครงสร้างในแนวนี้มันก็คือกั น, นว่าโครงสร้างของชีวิตนั้นเราเปลี่ยนเฉพาะกาลเทศะบุคคลนะแต่โดยเนื้อหาแล้วไม่ค่อยได้เปลี่ยนอะไรเลยเราซ้ําๆำซักซเป็นพฤติกรรมซ้ำซ้ซักซถูกถูกผิดผิดกันมาแล้วถูกก็เคยถูกกันมาแล้วผิดก็เคยผิดกันมาแล้วประสบความเสื่อมความเจริญก็เคยคนเคยเสื่อมเคยเจริญมาแล้วทั้งนั้นเลยวันเส้นทางทั้งหลายนี้มันมีอยู่แล้วโบราณท่านจึงสอนไว้ในวิศุรบัณฑิตนะฮะ ก็เรียกาสตุนรธรรมท่านบอกว่าให้เดินไปตามหนทางที่ท่านได้เคยเดินมาแล้วซึ่งหมายความว่านทางทุกขนทางเนี่ยฮะมีท่านเคยเดินมาแล้วท่านั้นหนแต่ว่าให้เลือกเดินตามขนทางที่ท่านซึ่งประสบความสาเร็จได้เคยเดินมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านไปลองมองกลับที่กรณียเมตสุ ท, ที่เคยพูดไว้นะฮะ กรณีมัทธคุสะเลนยันตังสันตังปะดังอภิสเมเพชจะเข็นอย่างนั้นอันผู้ฉลาดในประโยชน์พึงทําซึ่งกิจที่ท่านผู้ได้บรรลุถึงซึ่งทางอันสงบได้กระทามาแล้วคือแสดงว่าท่านที่ถึงความสงบจะเจริญมัทาวิปัสนาบรรลุมรรคผลอิพานไรตอะไ ร, ไรนะฮะท่านทํามาแล้วทั้งหมดเลยแล้วก็ท่านก็แสดงทางไว้ให้เราเสร็จเลยท่านบอกว่าฉันเดินมาอย่างนี้นะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างนี้อย่างนี้ถ้าคนฉลาดในประโยชน์ พระพุทธเจ้าบอกถ้าพูดฉลาดในประโยชน์นะใครก็ตามที่ฉลาดในประโยชน์ให้เดินไปตามหดไปตามหนทางที่ท่านผู้ซึ่งได้ถึงความส ง, งบท่านได้เดินมาแล้วแล้วถ้าเดินไปเป็นไงเราก็เหมือนกันนะเราได้จะรับความส ง, งบตามที่ท่านได้รับเช่นเดียวกันประมาโครงสร้างจากโครงสร้างชีวิตโครงสร้างหลกัหลกๆเราจะเห็นว่าพราหมณ์คนนี้กับอุปสารคกับพราหมณ์ในโบราณมันก็โครงสร้างเดียวกันแต่ว่าเกิดขึ้นคนละกาลเทศะเท่านั้นเอง ทีนี้มามามองดูถึงคนที่เคยเกือ้อกูลนะฮะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเคยเกือ้อกูลสองคนนี้มาก็มาถึงมาเกือ้อกูลกันอีกนี่ก็คือแนวที่เราพูดกันว่าบุเพสันนิวาสคือเคยอยู่ร่วมกันมาในชาติปางก่อนนะฮะส่วนมากคนเรามากกักจะตีเรื่องหนุ่มสาวที่จริงไม่จริงนะฮะคนอยู่ร่วมกันมาสามลักษณะลักษณ ะ, ะเฉยๆอย่างที่เราอยู่นี่เราอยู่ร่วมกับคนเวลนี่ในโลกนี้เราอยู่อยู่สามลักษณะ ลักษณะหนึ่งเป็นมิตรลักษณะหนึ่งเป็นศัตรูลักษณะหนึ่งเฉยเฉยไม่มีลักษณะที่สี่นะมีสามลักษณะเท่านั้นเองเป็นมิตรขนาดไหนลึกซึ้งไปในสายมิตรเป็นศัตรูขนาดไหนก็ลึกซึ้งไปในสายศัตรูเฉยเฉยขนาดไหนนะมันก็ไปในสายข้างข่าแต่สรุปว่าเราก็มีสามสายสายนั้นนะไม่มีอะไรหรอกกุศลธรรมากุศลธรรมาปยากตารธรรมมาของพุทธเจ้านั่นแหละไม่ไม่มีสายที่สามเออไม่ไม่มีสายที่สี่เพราะั้น พระพุทธเจ้าท่านเคยอุปการะพราหมณ์เหล่านี้มาในชาติปางกอ่อนพอมาถึงชาตินี้ก็อุปการะอีกและอุปการะสิ่งที่นํามาแสดงจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงเองก็ได้ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะฮะแต่ว่าเล่าให้ฟังว่าคุณมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยเล่าชาโดกให้ฟังว่าตั้งแต่ชาติก่อนก็สแสวงหาที่ตายบริสุทธิ์คือแทนที่จะสแสวงหาชีวิตที่บริสุทธิ์ไปกลับสแสวงหาที่ตายบริสุทธิ์ คือเอาความบริสุทธิ์จากภายนอกเอาบริสุทธิ์จากสถานที่ว่าถ้าเผาตรงนี้ฉันต้องบริสุทธิ์ซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นการแสวงหาที่นอกออกไปความบริสุทธิ์มันเกิดจากจิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้เกิดจากสถานที่ที่บริสุทธิ์คนเราถ้ามีจิตใจที่สะอาดแล้วจะอยู่ในที่ไหนก็มีความสุขความสงบใจแต่ถ้าจิตใจไม่สะอาดจิตใจขุนมัวเศร้าหมองแล้วจะอยู่ดีวิเศษยังไงก็ตา่างหาความสงบใจไม่ได้ ดังนั้นุวะเจ้าจึงทรงแสดงแสดงสูงสุดนะฮะแต่เราก็ลดหลั่นลงมาได้ว่าที่จะเป็นที่ลุ่มที่ดอนที่หลุมที่บ่อที่ป่าเขาอะไรก็ตามนะฮะพระอรหันต์ท่านอยู่ในที่ใดที่นั้นชื่อว่ารัมณียสถานเป็นสถานที่รื่นรมเพราะรื่นรมมันอยู่ที่ใจนะฮะมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่เราไปไปไปคิดเอาสถานที่นั้นคือการสร้างเงื่อนไขเฉยๆ แต่แท้จริงแล้วอยู่ที่ใจเราสามารถปรับใจข้างเราให้หยูดได้ตลอดเลยขอให้ใจมีความสงบมีความสะอาดเท่านั้นก็รื่นรมแล้วสำหรับเราเพราะความรื่นรมมันเกิดจากใจไม่ใชเกิดจากสถานที่แน่นอนสถานที่นั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนแต่ว่าสถานที่ไม่ใช่ตัวสำคัญตัวจิตใจของบุคคลเป็นตัวที่สำคัญมากกว่าทีนี้ประเด็นที่สำคัญทองชาดกเรื่องนี้ นอกจากจะชี้ให้เห็นว่าชีวิตของบุคคลนั้นจะต้องจบลงที่ความตายซึ่งว่าที่จริงใล้ๆกันเรื่องธรรมดานะฮะแต่จีแต่เอาเข้าจริงแล้วไม่ใช่เรื่องธรรมดาพระท้าวว่าเป็นธรรมดาคนจะต้องเข้าถึงธรรมดาเหล่านั้นได้และจะไม่หวั่นไหวพระธรรมดาแต่คนเรากลับหวั่นไหวพระธรรมดาเหล่านั้นเดือดร้อนพระธรรมดาเหล่านั้นแสดงว่ายังไม่เข้าถึงธรรมดาเหล่านั้น ให้ลองสังเกตอะไรเรามองเห็นเป็นธรรมดาเราเจะเฉยทันทีได้เช่นว่าไปสร้างบ้านอยู่ริมถ น, นนเสียงรถเป็นธรรมดาแล้วเราก็อยู่สบายไม่เดือดร้อนเพราะเราเข้าถึงมันนั้นเป็นธรรมดาหรือว่าเด็กแก่ชนแก่อะไร อ, อะไรเนี่ยเราก็ธรรมดาของเด็กแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเด็กชนฮไปเจอคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทันขี้จู้จู้จู้จี้ขี้บนก็ธรรมดาของคนแก่เป็นอย่างนั้นนะฮะ ก็ปรับใจได้แล้วสบายเลยฟังกุญยายบ่นก็สนุกดีเหมือนกันดีก็อยู่เปล่าๆแล้วก็ทําใจกองเราได้ตลอดอ่ะแต่แต่แสดงให้เห็นว่ามีเยอะที่เราไม่ถึงเ ร, เราไม่เข้าใจว่ามันเป็นธรรมดาคือคือหมายความว่าก็พูดได้นะพูดได้แต่ว่าใจเราไม่เข้าถึงจริงๆถ้าเข้าถึงจริงๆก็สบายนะบางคนไปอยู่ริมถนนรถไฟถนนรถยนต์วันก่อนที่เด็กที่บางลาพูเนี่ยม า, มานอนกับเพื่อนกันที่วัดวิ่งหนีกลับกลางหึก เงียบกระบอกเงียบนอนไม่หลับเงียบนอนไม่หลับเพราะแกยังปรับไม่ได้ว่า น, นี่คือธรรมดาอย่างหนึ่งเมื่อไม่มีเสียงรบกวนมันก็เงียบแต่ว่าแกกลับนอนหลับที่บ้านนะฮะรู้สึกว่าเสียงรถที่ดังอย่างไรที่ดังจะกรอบให้แกหลับได้นั่นคือการเข้าถึงธรรมดาเพราะงั้นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของชีวิตแล้วนะฮะเราก็สัมผัสกันอยู่ในชีวิตประจําวันว่าถ้าเข้าถึงธรรมดานะชาราตามมิชาระนาติโตไม่ใช่ธรรมดาไอ้ไม่ไม่ใช่เรื่องที่ที่ง่ายฮะต่อการเข้าถึงธรรมดากันเขา บางทานได้มีอยู่สองคำนะฮะเจลาตามมหิเรังอนัตติโตเจานั้นเป็นธรรมดานะไม่ร่วงพ้นไปได้ไม่ร่วงพ้นชราไปได้ก็มีสองอย่างถ้ายอมรับว่าเป็นอย่างนั้นหรือว่าธรรมดาเป็นอย่างนั้นไม่พ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ใจก็สบายพรามณ์นั้นเราจะเห็นว่าแกไม่เดือดร้อนพระตายแกไม่เดือดร้อนพระตายเพราะ ง, งั้นแกก็สบายเดินไปชี้ที่เผาศพตัวเองให้เรียบร้อยแต่เป็นห่วงเรื่องที่ที่เผาตัวเอง <laughs> ก็แปลกดีเหมือนกัน คือหาความบริสุทธิ์จากภายนอกแต่ที่จะแก้ความบริสุทธิ์จากภายในประเด็นที่สําคัญคือตัวธรรมะนะครับธรรมะชุดนี้เป็นธรรมะที่ดีมากเลยห้าข้อนะครให้ถ้าเราสังเกตว่าห้าข้อนี้ต้องแทรกซึมอยู่ทุกคนทุกแห่งของการประพฤติปฏิบัติชาวบ้านนะฮะชาวบ้านคารวาะสัทธานั้นจะเห็นว่าคารวาะสัทธามีอยู่ในตรงนี้สองข้อคือสัจจะกับธรรมะพอมาถึงพระ ถึงบ้านนี่เอาครบหมดเลยพวกเจตุปาฏิสุทธสีนี่อยู่ครบหมดเลยเพราะอะไรเพราะเพรา ะ, ะนี้คือหลักชีวิตจริงๆเลยหลักชีวิตสี่ข้อนี่ห้าหข้อเนี้ยเราจะไปไปพบอยู่ทุกคนทุกแห่งเลยพวกคารวะสธรรมพวกอธิษฐานธรรมพวกอะไรอะไรนี่จะอยู่ทุกแห่งเนื่องจากคนขาดไม่ได้ขาดธรรมะเหล่านี้ไม่ได้เริ่มถึงที่สัจจะสัจจะนั้นเป็นธรรมะที่ใหญ่มากเลย และเวลานี้นะให้ลองสังเกตว่าเราขาดแคลนอย่างจริงเราขาดแคลนสัจจะขาดเอามากที่จริงเราสัจจะกันทุกคนนะให้ปฏิญาณสาบานกันทุกคนจะทำอะไรก็ตามทำวัดเย็นอย่างพระเนี่ยอย่างพระเวลานี้มาไปอบรมพระต่างจังหวัดแล้วตอกย้ำเรื่อยเลยเรื่องนี้เวลาทาวัดเย็นนะปฏิญาณสาหัสสากันที่สุดนะ แต่ว่าเคยแปลกันหรือเปล่าไม่นะมีอยู่สองประโยชน์ที่ว่าสองประโยชน์ที่น่ากลัวที่สุดเลยปุถัศสหัสสมิดาโซวะบุทโทเมซามมกิสโรโยมก็สวดมาเยอะแล้วนะพระพุทธเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้พระพุทธเจ้าแล้วก็พุทถัศสหังนิยาเดมิสรีรันยีวิตันชิดัง ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าเอาอย่างงั้นนะเอาอย่างงั้นนะว่าทุกวันนะฮะบางองค์ขยันสวดมนต์ไม่เคยขาดเลยแต่ว่าทําไม่ได้ละข้อเดียวคือขยันได้เฉพาสะส่วดตอนนั้นแต่ทําไม่ได้เห็นวาสาหัสสาการทั้งสองข้อนะโยบฉลามหมดแล้วะชีวิตมอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าซึ่งถ้านําไปสู่ภาคปฏิบัติได้แล้วพอแล้วนะ มอแล้วไม่ต้องไปนับอะไรมากมายไก่กองนั่นคือสัจจะปฏิญาณที่ให้ไว้ต่อพระรัตนารายัยต่อตนเองแล้วก็เข้าหูคนอื่นด้วยตึงหมายความว่าเป็นสัจจะปฏิญาณที่ยอบรอบตัวทหารเราดูค่ะสัจจะปฏิญาณสาบานตนต่อรงชัยเฉลิมพลโอโหหน่ากลัวเลยนักกลัวทําไม่ได้แล้วก็บางคนเอาสัจจะปฏิญาณไปปิดหน้าหมวกไว้ด้วยปิดหน้าหมวกปิดไปตรงนั้นตรงนี้นะ อะไรล่ะสละชีเพื่อชาติระ ง, งับทุกบำรงสุขปิทักษสันติราชนะฮะแต่นั่ย่างอย่างคือสัตว์จาะเข้จะจะทั้งนั้นถ้าเราทําตามได้ตัวสัตรจระตัวเดียวแม้แต่รักษาศีลดูเหมันจะเล่าให้ฟังกันก่อนในเจออาจารย์ฟั่นอาจารพูดพูดดีแต่ว่าท่านเป็นคนแก่นะฮะพูดได้พระพูดเท่าเราในดีอย่างคือท่านอยู่มานานๆเนี่ยท่านเป็นป่าประมุติปัญหาบางอย่างที่เราที่เราพระหนุ่มๆเราแก้ยังไม่ได้เราไม่กล้าพูด แต่หลวงพ่อหลวงปู่ท่านแก้ได้อาจารย์ฟัน่นบางคนจะรับศีนท่านบอกเฮ้ย hey, รับอะไรโกหกพระหลายรับศินเสร็จย ง, ย ง, ย, งยงกัดปุ๊บยงกัดตอบยุงกัดปุบ๊บตอบปั๊บทันตีเลยว่าพระกลับก็ดื่มเหล้าต่อโกหกพระหลายก็คนก็กลัวเพราะว่าท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นปามเมื่อนั้นคือความจริงปัญหาเหล่านี้บางครั้งบางคราเนี่ยอาจมาเองยังต้องไปขอร้องหลวงพ่อปัญญาช่วยหน่อยเพราะว่ามาไม่กล้าพูด เรามันมนยังบารมีไม่พอนะฮะจะพูดเรื่องบางเรื่องเราก็ไม่กล้าแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดเราก็กล้าเพราะที่ต่างจังหวัดเรามีบารมีมากพอที่เราจะกล้าพูดได้แต่แม้จะหนักจะเบาไปหน่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรคือญาติโยมก็ไม่ได้โกรธอะไรอย่างนี้อย่างอย่างในกรณีของการรับศีลในใจนะฮะเราจะเห็นว่าเมืองไทยเรานี่มีปัญหาจะตายในเรื่องนี้รับศีลเงียบชีเลย อาราธนาดังลั่นนะพอพ อ, พอพระให้ศีล น, นั่งเฉยไม่รู้อาราธนาทําอะไรไม่รู้แล้พระก็นั่งให้แล้พระก็นั่งท่องศีลไว้เฉบท์เลยยิ่งยิ่งงานรัฐบิธีงานอะไรแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยคนเต็มแต่ไม่มีเสียงรับศีลพบหลวงปู่อลค์ปู่องค์แกและแกแล้วฮะท่านแปดสิบป่าพอท่านให้ศีลเงียบอย่างเงี้ยท่านก็นั่งเงียบโยงก็ถาเอาหลวงพ่อทําไมไม่ให้ศีลอ่ะ แกไม่รับมาให้เราเลยบอกว่ารับแล้วก็รับในใจเอาแกรับใจใจข้าก็ให้ในใจด้วยแล้วต้องต้ลงตั้งแต่นั้นมาหลวงพ่ออนี้ไปที่ไหนนี่คนก็ลือเลยเพราะว่าประโยคนี้ใครไม่เคยพูดมาประโยคนี้ใครไม่กล้าพูดไม่ใช่ไม่เคยพูดคือไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดแล้วเวลานี้สมเด็จพระสังฆราชนั้นท่านรณรงค์มาสิบปีแล้วเรื่องเนี้ยรับศีลต้องดังๆงสมเด็จสังฆราชเสด็จที่ไหนต้องพูดเรื่องรับศีลดังๆ ร้องเพลงชาติดังได้ร้องเพลงลูกทุ่งดังได้ด่า ก, กันดังใหญ่เลยว่ารับศีลไม่ยอมดังๆด่ดาเป็นเรื่องหน้าละอายนะฮะไปด่ากันได้เพื่อนได้ยินในสามบ้านแปดบ้านรับศีลเรื่องดีนะฮะทำไม ต, ต้องไปเงียบเงียบทำไมรับไปมันดังๆังเาฉันประกาศมีศีลเนนะี่ยคนอื่นไนดะ้เป็นตะกีพยานได้แต่ว่าต้องอาศาัยคนนี้เนี่ยขนาดต้นเดชสังกราชขนาดหลวงพ่อหลวงปู่ด้วยอาจารย์ฟั่นในทางนี้บา ร, รมีทั้นพูดได้ แล้วสัจจะตัวนี้นะเน้นไปเรื่อยๆนะย่าเรือของเรามันอยู่ที่สัจจะสัจจะต้งหมดอ่ะต้องเข้าไปถึงอริยสัจจะเดิมไปเรื่อยเป็นสัจจะวาจาสัจจะปฏิญาณนะฮะแต่สัจจะที่ฐานมันก็ขึ้นไปเรื่อยประนีตไปเรื่อยจนไอ้พวกสัจจะบา ร, รมีแล้วก็ขั้นไปเป็นระดับอุปบา ร, รมีปรามัตถบา ร, รมีขึ้นสูงไปเรื่อยสรุปรบนเส้นทางสายนี้ข้อมีเพียงสัจจะมีคนเคยถามนะครับ เราใช้คําว่ารักษาศีนรักษาหมูรักษาไกภา่ภาษาที่เราพูดนะฮะรักษาคนรักษาอะไรนี่ก็มีของกินก็ถามว่ารักษาศีนกินอะไรเอามาเคยโดนถามเทศคู่นะฮะเราก็บอกให้กินสัตว์รักษาศีลก็ให้กินสัตว์สัตว์อะไรคือสัตว์จัให้กินสัตว์จัเราสมาทานไปนะครับเจ้างดเป็นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิตจะตกลงไปว่าเรื่อยนะเรามีสัตว์จักตัวเดียวไม่ต้องไปนับข้อกนะันแล้ ก็เป็นปฏิญานก็เราเองเพราะฉะนั้นรักษาศีลก็คือให้กินสัตว์แต่ก็ต้องบอกสัตวจ่นะสัตว์สัตว์จ่าประเดี๋ยวยุ่งอีกถ้าถ้าเป็นงั้นก็ต้องพูดแล้วก็อธิบายท่านพระพุทธเจ้าท่านเน้นตั้งจุดเริ่มต้นไปจนปจถึงอริยสนะัจนะครจนถึงอริยสัจเพราะทรงแสดงว่าเป็นธรรมะไม่ตายดังนั้นจึงเดินจากจุดต่ําสุดไปหาจุดสูงสุดคือรู้อริยสัจทั้งสประการ สัจจะธรรมะ ร, รมะในที่นี้ก็เน้นไปที่ตัวธรรมซึ่งเป็นหลักปฏิบตัติก็เรียกว่าเป็นพวกมรรคภาวนานะ จ, จุดสูงสุดจุดสูงสุดจุดตรงนั้นทีนี้ในจุดที่ลดหลั่นกันลงมาก็คือการปฏิบัติธรรมในด้านต่างๆตามสมควรแก่ฐานะของตนซึ่งก็หมายความว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะอย่าลืมว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยกัน ที่จะสนับสนุนอิงกันในสายของตัวเองกุศลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของกุศลอกุศลก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของอกุศลจะต้องอิงอาศัยกันอยู่เรื่อยไปไม่ใช่ว่าอย่างนี้สําคัญอย่างนี้ไม่สําคัญนะอย่างมีโยมบางคนที่แกวัดหน้อยเพราพระเทศต่ําเทศต่ําอะไรมันต่ํธาธรรมะต่ำไงต่านั้นหมายความว่าต้องอยู่ต่ํากว่าเรานะ การปฏิบัติมาตรฐานของเราสูงกว่าธรรมะนั้นแล้วเราจึงจะพูดธรรมะนั้นตามได้แต่เาก็จริงแล้วมาตรฐานของเรายังไม่สูงระดับธรรมะเราจะพูดธรรมะตามได้ไงอย่างว่าศีลเนี่ยเขาบอกว่าต่ําไปต่ำไปไงรักษาได้เปล่ า, า, ารักษาไม่ได้แสดงว่าธรรมะยังสูงกว่าเราเราก็ยังขึ้นไปไม่ถึงเพราะงั้นก็พูดกันเรื่องศีลเรงแทนถ้าเรามองไปในแง่ธรรมะพื้นบ้านนะฮะที่เราเทศกันในทั่วๆ ทั่วไปนะจึงเป็นปัญหาเนี่ยระดับขีปฏิบัติพวกอัมบัยมุกพวกอะไรเนี่ยพวกศีลท่าพวกเมตตากรุณาเนี่ยจึงจึงจึงจึมีปัญหาอยู่ในบ้านในเมืองธรรมะเหล่านั้นเป็นธรรมะที่สูงเพราะว่าดึงคนให้สูงขึ้นแล้วธรรมะก็อยู่สูงธรรมะต่มถึงไม่มีนอกจากอกุศลนะฮะถ้าเป็นกุศลแล้วธรรมะสูงทั้งนั้นเลยทางเป็นเหตุเป็นปัจจัยสนับสนุนกันไปจนถึงนิพพานทั้งหมดไม่ได้ทิ้งอะไรเลยนะฮะ จะผสมกลมกลืนหนุนกันไปโดยลา ด, ำดำับแอย่างที่เคยบอกว่าในศีลมันก็มีสมาธิมีปัญญาในปัญญาก็มีศีลสมาธิในสมาธิก็มีศีลปัญญาอิงอาศัยกันอะไรมากอะไรน้อยท่านั้นเองธรรมะทั้งหลายที่บุคคลศึกษาเมื่อกล่าวโดยสรุปในสายหนึ่งนะก็สรุปไปได้หลายสายสายหนึ่งคือระบบคําสอนที่ส่งแสดงไว้ดีแล้วเมื่อบุคคลปฏิบัติจะทําหน้าที่ขัดกล่าว ทําลายสิ่งที่ไม่ดีภายในจิตใจของบุคคลให้ออกไปโดยลําดับแล้วจะดึงคนออกจากความชั่วความทุกข์ความเดือดร้อนโดยลําดับนะั้นดึงได้ขนาดไหนก็ไม่รู้แหละแต่ก็ดึงได้เรืยๆนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าโดยปกติเวลานี้ถ้ามองย้อนไปเนี่ยเราธรรมะดึงเรามาตั้งเยอะแล้วอย่างน้อยวนันนี้วันนี้ก็วันวันหยุดก็ดึงดึงมาจากหน้าจอโทรทัศน์ได้นะฮะดึงมาจากการนอนที่บ้านได้จนข้ามาอยู่วัดก็ดึงมาตั้งหลายเรื่องนะ ก็ดึงออกเลยธรรมะจะดึงคนออกไปได้แล้วแล้วพอถึงจุดหนึ่งท่านจะเห็นว่าไอ้ความติดในรูปวัตถุจะน้อยลงเมื่อก่อนนี่ก็ว่าชักจัตกกุมตะกรารนะเมื่อก่อนนชักจัตะกุมตะกานะแล้วก็เราเริ่มจางลงไปโดยลำดับวัตถุนี่มันมั น, ม, นมันรู้สึกมันมันรุงพรั ง, รงอะ่ะมีมากก็เท่านั้นเ ถ้ามีมากคนเหล่านี้จะเริ่มใช้ให้มันเป็นประโยชน์จริงๆที่สร้างความสุขใจคือเน้นไปที่ใจมากนี่แสดงว่าเราก็ถูกดึงมาเยอะแล้วการที่การที่ท่านทั้งหลายสามารถมามาถึงในวัดได้เนี่ยมองดูที่ว่ามันมีอะไรที่เหนียวรัง้งเยอะแล้วเราสลัดหลุดมาได้ก็น่าภาคภูมิใจนะฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่สามวันดีสี่วันได้นะฮะจะว่าเดือนหนึ่งมาตักสองเสาหนึ่งนฉันก็ถูกดึงก็ดึงมาได้สองเสาก็ไม่ได้ว่าอะไรฮนะ ก็ตามสมควรแก่การปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าทำได้มากกว่านั้นมีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นก็แสดงว่าเราเข้าถึงนิยาใิกธรรมธรรมะที่นําออกนําออกจากกิเลสนําออกจากความทุกข์นำออกเรื่อยๆนะมีจุดหมายปลายทางอย่างที่เดียวกันคือสันติสันติธรรมคือความสงบเพระการ น, นั้นก็คือตัวของธรรมะประการต่อไปนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าที่จริงเป็นตัวอะไรเป็นตัวเสริมสัจจะคืออหิงสา อิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนศาสนาเชนนั้นเขายกย่องกันเขาลืมไปนะฮะที่จริงศาสนาพุทธก็นเน้นที่การไม่เบียดเบียนศาสนาเชนอิหิงสาปรโมสรโมอิหิงสาเป็นบรมธรรมของเราพระพุทธเจ้าบอกว่าอภิยาป ช, ชังสุ ข, ขังโลเกปานาภูเตสุสันยโมการไม่เบียดเบียนกันฮนะคือการสํารวมระมัดระวังเวลาเกี่ยวข้องกับคนอื่นสัตว์อื่นนั้นเป็นความสุขในโลก พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมะอย่างเดียวสแสดงวิธีปฏิบัติด้วยแต่ของศาสนาเช่นว่าเฉยๆ อ, ยอีกสาประโมโทรโมโอว่าเฉยๆเพราะของเขาใชายบาลีไม่ใช่ของเขาใช้ยสัญกิกเราใช้บาลีแต่นั่นเองก็ดูดูสั์แล้วแค่จะต่างกันแต่แท้จริงแล้วโดยเฉดจํานวนเหมือนกันเพราะโลกเราถ้าหยุดการเบียดเบียนได้การเบียดเบียนการระทุศร้ายกันได้โลกมันก็หน้าอยู่พอสมควรแหะน้าอยู่พอสมควร แต่ที่มันเดือดร้อนวุ่นวายกันเวลานี้ก็เพราะว่ามีการเบียดเบียนกันเหลือเกินสารพัดทุกเรื่องทุกราวไม่ว่าที่ไหนก็ตามออแม้แต่ในวัดในวาวบางทีก็ยังถูกเบียดเบียนโยมเข้าวัดยังถูกเด็กขโมยรองเท้าเลยมันยุ่งหนักจังเลยมันจะทําไงเว่าเอาก็จริงพระพุทธรูปก็ยังถูกตัดเสียนะฮะโยมต้องยอมรับว่าเรามันก็เกิดมาด้วยวิบากกรรมที่คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ดีกว่าพวกที่เกิดเอธิอเปียแยะแล้วนะไม่ต้องเงยหัว ต้องไปน้อย อ, อกน้อยใจอะไรเพราะมีคนที่มีวิบากกรรมส่งไปเกิดในที่ที่แย่กว่าเรานั้มากมายไกลกองเราก็ไปเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาธรรมได้ปฏิบัติธรรมมีชีวิตสืบต่อกันมาโดยไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรอย่างที่คนอื่นก็มีนี่ก็เป็นควรเป็นความภาคภูมิใจที่ควรแกการปิติปรามโหดมากอยู่แล้วาการเบียดเบียนนั้นต้นเหตุจริงๆแล้วก็เกิดมาจากความลภโกรหลงนะฮะ ทนเรยวความโลภกฎหลงทั้งหมดเลยการเบียดเบียนทุกกรณีไม่ว่าอะไรก็ตามสายใหญ่ตัวการใหญ่มันอยู่ที่ความโลภกฎหลงทั้งหมดเลยแต่เราโลภให้น้อยลงหน่อยกฎให้น้อยลงหน่อยหลงให้น้อยลงหน่อยนะฮะและการเบียดเบียนมันจะลดลงเองที่เขาวิจัยกันอย่างเอกสารไม่ใช่เทบที่ิยมคนนี้ให้มานะฮะก็แสดงว่าวิเคราะห์วิจัยกันแล้วว่าเหตุผลทางเศรษฐกิจมีน้อยฮะ ที่เป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมเพราะตามก็สํารวจแล้วเนี่ยสรวจแล้วว่าคนที่ประกอบอาชญากรรมนั้นเป็นคนที่พอมีพอกินนะไม่ใช่พวกที่จนจนไม่มีอะไรจะกินพวกนี้ไม่ค่อยมีแรงไปทําอาชญากรรมอะไรครับแรงก็ไม่ค่อยมีก็ไมไกินข้าวสแสดงว่าตัวการจริงๆอยู่ที่จิตสุขภาพจิตซึต่งจําเป็นจะต้องพัฒนาแก้ไขปรับปรุงในด้านนี้เราจะแก้การเบียดเบียนได้โดยความสํานึกขั้นพื้นฐาน ท่านพื้นฐานว่าใจเขาใจเรานะเอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้อตตานังอุปมางกเรอตตนังอุปมางกัตาวานะฮะอะไรมหาวิทยาลัยมหิดลหรือศีราชนะนี่เขาเอาไปใช้เป็นภาษิตเป็นคำขวัญประจําคณะเขาแต่เขายัางเบียดเบียนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะบางทีพยาบาลก็ตะคอกเอาคนป่วย ช, ช็อกเลยก็มีเหมือนกันสแสดงว่าก็นี่ก็ปิดสามคำนะฮะอตตานังอุปมังกเรอนะทาตนเป็นอุปมา คำเดียวประโยคเดียวเท่านั้นเองทำตนเป็นอุปมาทำตนเป็นเครื่องเปรียบเอาใจเขามาใส่ใจเราหรือใจเขาใจเราก็ออกมาในรูปวงการไม่เบียดเบียนเบียนเบียนตนก็คนอื่นเท่านั้นเองเราไม่ได้เบียดเบียนใครนอกจากนั้นนะฮะให้เราสังเกตเราไม่เบียดเบียนใครนอกจากนั้นมีตนก็คนอื่นเท่านั้นเองมาเองยังประทับใจความคิดในทางสร้างสรรค์ของท่านอุนุนะฮะวันตอนก็พูดออกตัวออกวิทยุไปท่านอุนุท่าน เขาค้นพบบ่อน้ำมันมหาศารนะฮะแล้วท่านบอก่าไม่เป็นไรแล้วเก็บไปนั่นนะอีกสี500่ห้ารอปีลูกหลานมันขุดมาใช่นั้นมันคมจังประทับใจเลยเกิดนฮะว่าความคิดอันนี้คมคายมากมีความรับผิดชอบสูงรับผิดชอบตั้งสี500ร้อยปีนะนึกถึงลูกหลานนะคนไทยเราแนวความคิดมาก่อนเรานึกถึงลูกหลานมากเลยปลูกต้นไม้ไปให้ลูกหลานมันกินไม่ได้นึกถึงตัวเองเลยนะฮะ เวลานี้เราเอาอะไรมาเรากินหมดเลยรีบกินหมดเลยน้ํามันก็รีบสูบมาการ์ดก็รีบสํารวจมาไม้ก็รีบตัดเข้านะฮะปลาก็รีบเอาระเบิดเข้าไปวางมันตายตา ย, ตายหมดหมดเลยนะเพื่อเราจะได้ตายก่อนลูกหลานจะเกิดหรือว่าลูกหลานเกิดมาไม่มีกินก็ตายพอดีเลความคิดคนเวลานี้แคบนะฮะนึกถึงจะพัฒนาในยุคในสมัยตัวเองแต่นั่นเองแล้วก็สร้างสารร์ในรูปวัตถุไม่ได้สร้างสารร์ในด้านจิตใจไม่ได้พัฒนาจิตใจจึงน่ากลัวเหมือนกันว่าต่อไปลูกหลานเรามีมากขึ้นน่ย ลูกหลานในรุ่นหลังลูกหลานหน้ามาเนี่ยไม่มีแล้วลูกหลานเดียวมาหน้าขวงอะก็เนื่อแกมีเพิ่มขึ้นไหนจะทําไงแต่ว่าเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคมันมีน้อยลงอ่ะมันจะมีปัญหากันอย่างหน้าห่วงมากเลยเพราะเราไม่ค่อยคิดถึงลูกหลานกันเท่าไหร่คิดถึงแต่จะตอบสนองความต้องการของตนความมั่งคั่งร่ารวยของตนแร่มีทะเลท่าไยก็ขุดไปขายสิงคโปร์หมดเลยไทยก็ไม่ได้ภาษีด้วยนี่ก็คือปัญหา เบียดเบียนน่ะเนี่ยมีตัวเบียดเบียนเลยลนะ่ะเบียดเบียนไม่จะเบี ard, ยดเบียนจะเฉยบ่อนทําลายมารดกของลูกหลานด้วยแล้วประการต่อไปก็คือสัญญมะสัญญมะนั่นแปลว่าความสํารวมความสํารวมระวังโดยพื้นฐานจริงๆเน้นจริงๆอาชั้นศีลเท่านั้นเพราะว่าสัจจะใหญ่อยู่แล้วสัจจะองค์แรกนั้นใหญ่อยู่แล้วสัญญมณจึงเน้นที่การสํารวมระวังในชั้นของศีลซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่า แม้แต่ชาวบ้านเราชาวบ้านเราดูแล้วก็คือศีลห้านะครับศีลห้าแต่ว่าถึงพอถึงขั้นของสัญญาะคือการสำรวมระวังจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่เฉพาะศีลห้าเท่านั้นมันต้องขยับจุดออกไปในรูปของอะไรในรูปของการเข้าถึงใจคือภายในใจจะต้องมีเมตตาต่อคนอื่นต่อสัตว์ด้วย่างที่เคยพูดมาครั้งหนึ่งนะครับว่าอาจจะหลายครั้งก็ได้พระองค์รมมาถึงขั้นนี้ คือคือเรามองพระพุทธศาสนาเราด้วยความภาคภูมิมากเลยไม่ไม่มีศาสนาไหนในโลกนะที่มองโลกเป็นปานีนังสัตว์มีชีวิตทั้งหลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายพระเจ้าเริ่มปาณาติปาตาเลยเริ่มปาณาติปาตาให้งดเว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะฮะปานะคือสัตว์มีลมหายใจทั้งหลายสัตว์มีปานทั้งหลายพระเจ้าบำเพ็ญประโยชน์เพื่ออย่างนี้ เวลาสอนธรรมะโคส่งคนไปสอนธรรมะเป็นโลกานุกรรมบายะอนุเคราะห์ชาวโลกพระพุทธเจ้าเป็นโลกกระเชเป็นพี่ใหญ่ของชาวโลกเป็นโลกกนาตเป็นโลกนนาโถหรือโลกกนาตเป็นที่พึ่งของชาวโลกชาวโลกพระพุทธศาสนาเป็นชาติเดียวที่ไม่มีชั้นนะะไม่มีชั้นไม่มีชาติไม่มีเผ่าพันธุ์มีแต่สิ่งมีชีวิตที่จะไม่เบียดเบียนกันที่จะต้องไม่เบียดเบียนกัน ถ้าเรามามองดูในศาสนาอื่นในศาสนาคริสต์ที่พูดวศาสนาโลกไม่นะที่จริงมนุษย์บุตรพระเจ้านั้นคือชาวอิสราเอลนะท่านไปเปิดดูใบไบเบิลดูปตอนโมเสสมันหนีข้ามทะเลแดงอะพอพวกฟารโรห์ไล่จะพระเจ้าช่วยเฉพาะพวกโมเสสลูกแกทั้งเด็กพอถึงไอพวกฟารโรห์ไล่ตามก็ให้ทะเลแดงท่วมตายหมดเลยก็แสดงว่านึกเฉพาะไอมนุษย์ในความหมายของเขานะฮะบุตรของพระเจ้าจริงๆเฉพาะชาวอิสราเอลเท่านั้น แต่คนที่มาคิดขยายอันนี้ขึ้นไปกระไรเซนปอนหรือเซนปีเตอร์เนี่ยแต่ขยายขึ้นที่กรุงโรมตั้งร้อยกว่าปีที่หลังอะขยายมาที่หลังออกมาเป็นเป็นเป็นของโลกแต่รพระเจ้าเราเป็นโลกกันนาดมาตั้งแต่ต้นเรามองโลกมาในแนวนี้มาตั้งแต่ต้นเลยจึงไม่มีชาติแต่ปัญหาในการปฏิบัติปัญหาในการปฏิบัติพราเอาเข้าจริงพุดเราไม่เข้าถึงอุดมการณ์เลยครับ พระก็ต้องมีพระราวพระไทยพระคามเม่นพระทำยุทธพระมานิกายพระวัดบวรพระวัฒนะยุ่งมาจังเลยไม่รู้อะไรมนะั้งยุงตรงนังไปหมดเลยยุ่งไปหมดเลยมีแต่กิเลสทั้งนั้นเลยสอนธรรมะบริสุทธิ์บริสุทธิ์ไว้เนีย่ยเอากิเลสไปโปะเทเละหมดเลยมีที่ไหนนะมันมั น, ม, น, ม, น, ม, น, ม, นมันการกําหนดเป็นเราเป็นเขานะความเป็นเราเป็นเขาไม่มีเราไม่มีเขามาตั้งแต่ต้นเลยมีแต่ปานีนัง มีแต่เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็ิญร่วมตายโดยกันอย่างแพ่เมตานะแพ่เมตตากำลังแผ่แพประยุมกัดตบปุ๊บเลยสัพเพสัตตายังมีเว้นกันแลยกันเลยแผร่เรียบร้อยนั่นก็สนุกดีกันนะฮะแลแพ่เมตตาเนี่ยเพื่อนมาขอเลือดกินหน่อยเดียวตบแล้วสัพเพสัตตาข้อต่อไปนะฮะจงหลุดพ้นจากทุกเถิดถือว่าตายแล้วหลุดพ้นเลยกันเนี้ยเราจะเห็นว่ามันขัดแย้งกันกระแย้งกันในเชิงของการปฏิบัติ สเปสตาตุขาปมุดจันโตสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงยังหลุดพ้นจากความทุกข์เถิดแล้วก็ตกเพื่อนตายหลุดพ้นจากความทุกข์ที่จริงเราหลุดพ้นจากความทุกข์ถูกยุงกัดนะเพื่อนตายหลุดพ้นยังไงตายก็เกิดต่อไปอีกนี่คือในภาคของการปฏิบัติเราจะพบว่าเอาก็จริงแล้วเราเราทําไม่ได้ตามที่เราพูดเราทําไม่ได้ตามที่เราพูดทํได า, มทาทไม่ได้ตามที่เราสอนตามอุดมการณ์ของพระพุทธศาสนาจริงๆ เราก็ก็ห่างห่งห่งไกลยอยู่เยอะแหละ แ, แล้วเวลาเนี้ยก็บาโวยวายกับพระพุท ธ, ธาศาสนาเมืม่อชา้าได้มาไปออกโทรทัศน์พิธีกรอนก็ซิฟก่อนพูดนะฮะจริงถ้าเขาไม่ตั้งปัญหาถามเนีมาจะพูดก็บอกว่ามีปัญหารัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านบอกว่าเรามีปัญหาเวลาเนี้นยว่ า, าศาสนาพูดนั่นดีแต่ขอศาสนาอื่นเขาก็ให้ลูกลูกเดียวเพราะฉะนั้นทําให้ศาสนาพูธมีปัญหาที่จริงมันน่าจะวิภาคกันทักทีนะฮะมันมาอภิปรายโต๊ะกลมกันทักที วาสานาพุทธดีจะขอจริงหรือศ า, าสนาอื่นดีแต่ให้จริงเลยมันน่าจะพูดกันให้เข้าใจาทีพระพูดอย่างไม่มีความรับผิดชอบไม่ได้มองให้เข้าถึงเป้าประสงค์ของพระพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าเป้าประสงค์ของพุทธศาสนาไม่ใช่ผู้ขอนะฮะเป้าจริงๆเป็นผู้ให้เลยเป็นผู้ให้แต่ว่าให้อะไรละ่ะฮะโยมมีความรู้โยมให้ความรู้หมอก็รักษาโรคไปคนมีสตางก็ให้สตางไป คนมีธรรมะก็สอนธรรมะไปก็ให้ตามตามที่เรามีนะให้ของที่เรามีพระพุทธเจ้าสงรงภาษาวกไปด้วยคําที่เราถือเป็นธรรมนูญเวลษานี้พระต้องตอกย้ํากันทั่วประเทศเลยทุกครั้งที่พูดต้องพูดเรื่องนี้สงรงภาษาวกไปคราวแรกดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระเธอทั้งหลายจงเที่ยบจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนเพื่อความสุขแก่ของมหาชนเพื่อเป็นการอนุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายหมดเลย ให้เรเลือกเราเลือกเขาอะไรแตประกันได้นั่นคือป้าของพพุทธศาสนาเพราะกันศาสนาเป็นศาสนาของการให้แต่ปัญหาว่าให้อะไรลราใครให้ล่ะถ้าจะให้พระให้จะให้แจกของไงเอาของที่ไหนมาแจกเดี๋ยวก็เรียกไรยโยมต่อโยมก็วิ่งหนีเลยนี่นี่นี่คือสิ่งที่เราเกิดความสับสนและในการสํารวมระหว่ังนั้นคือสํารวมระหว่ังในการปฏิบัตนะิในการปฏิบัติในศีล แต่ก็อาศัยทัศนคติต่างๆอย่างที่ว่าแล้วด้วยนะฮะอาศัยความคิดต่งางๆแล้วด้วยต้องเป็นการเสริมให้เกิดการสํารวจระวังเข้าถึงใจหมดเลยพอถึงเลี้ยงชีพก็เป็นสมาชีพที่ละเมิดละไมขึ้นไปโดยลําดับนะฮะซึงในสมัยโบราณท่านจะเห็นว่าเอาก็จริงเนีแม่แต่ว่าเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เนี่ยไม่เอานะฮะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เราไม่เอาเลยคนระดับอุบาสกคนตัวไปเลี้ยงก็เลี้ยงไปนะฮะคนระดับอุบาสกก็ไม่เลี้ยงนะฮะแต่ว่าเรื่องเหล่านี้พอ ศีลด in ันประนีดขึ้นจริงมันไปเองการเลี้ยงปลาไว้ดูเล่นอย่างเงี้ยเลี้ยงปลาเงินปลาทองไว้ดูเล่นเนี่ยเราก็จับเราไปเลี้ยงดูเล่นเนี่ยเอาหรือเปล่าไม่รู้จับเพื่อนบอกมาเลี้ยงมาดูเล่นเดูเล่นยังไงก็เราจับเราไปขังกลงมาดูเล่นเอาหรือเปล่าไม่เอาอะนี่ก็คือการเสริมความคิดไปเสริมความคิดไปจากจุดเนี้ยจุดที่ที่ที่เรารักษาศีนจใจมันเริ่มเปลี่ยนนะก็เข้าไปเมตตาเมตตาแล้วก็มองในแง่ที่เข้าใจเหตุผลมากยิ่งขึ้น อาชีพก็สะอาดขึ้นการประพฤติผิดในทางประเวณีก็ละเมียดละไมขึ้นโดยลำดับแม้แต่อะไรลักภาษาปัจจุบันคือชู้ทางใจก็ไม่มีแล้วนะฮะนั่นก็คือการประณีตขึ้นไปเป็นการตํารวมระวังค่าถึงใจหมดฮนะเพราะทุกอย่างจะวิ่งเข้าหาใจหมดเลยไปถึงล่าเองแม้แต่อยากดื่มแม้แต่อยากจะดื่มก็ไม่อยากดื่มถึงจุดหนึ่งนะฮะพัฒนาขึ้นไปเองเลยการโกหกแม้แต่ความคิดจะพูดโกหก ก็ไม่เกิดถ้าพูดก็พูดถ้าไม่พูดก็ไม่พูดเลยถ้าพูดต้องจริงฮะถ้าไม่จริงก็ไม่พูดก็ทางนั้นเองก็ไม่แต่ว่าอะไรที่จริงมันกาง่ายดีนะเกิดถ้าโกหกเราก็ร่วมโกหกเราไม่พูดเลยตอนนั้นต่นนั้นเองแม่แม่ได้ลงทุนลงแรงแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยทั้งทั้งที่บางทีก็เพราะเราคุมใจตัวเองไม่ได้แม้แต่เรื่องที่โกหกก็ยังกุศาพูดออกไปแล้วก็ทําให้ตัวเองเดือดร้อน นีนก็สัญญามากก็คือสํารวจระหว่างในชั้นศีลปัญหาศีลไครล่ะก็คบว่าขึ้นไปเรด้วยๆทังท่านตั้งหลายเห็นว่าศีลเวลาปฏิบัติศีลมันมีความสงบมีปัญญาจดไม่ใช่ว่ารักษาศีลแบบโงงๆนะฮะบางทีคนเยอะไปรักษาศีลแบบโ ง, ง้อะไรกองใหม่รู้ไหมไม่ไมีแบบจากนั้นยิ่งยิ่งสมัยก่อนนะฮะยิ่งสมัยก่อนอย่างตัวอย่างเนี่มีข่าประเคพนพระเนี่ยประเคนภระบางองค์นี่ต้องจังบาดปั๊บปับบบบบ๊เหนื่อยเลยบางคน เคยประเคเนจนเงื่อแตกหลวงพ่อว่าไม่เป็นองค์ประเคนเขาเรียกโง่เขาให้เนี่ย ท, ที่จริงโดยหลักจริงๆเขาให้เฉยๆให้เฉยๆเขาให้ก็ได้ทีนี้เรามาจัดรูปแบบขึ้นจริงๆแต่ว่าพราะไม่มองอีกมุมหนึ่งไอ้การจัดรูปแบบพี่นอพี่เทาอย่างนั้นมันแสดงตัวเองเป็นศักดินามากเกินไปก็ประเคนอะประเคนยังไงก็ได้จะปายถูกหัวก็แล้วกันกเฑนเรียบร้อยหน่อยก็เป็นผู้ดีผู้ดีหน่อยนะก็เท่านั้นเองไม่เมมีอะไรมาก ที่พระพุทธเจ้าว่านะพระพุทธเจ้าว่าจะคล่องตัวมากเลยแต่ว่าคนรุ่นหลังเนี่ยมาเสริมอัตตาตัวเองขึ้นมาจะต้องโอมีวิธีดีต่องอีงะะ้นะจะไปเคลียร์นายเพราะงั้นมันก็กลายเป็นสิ่งที่กางกั้นและทําให้เสียความรู้สึกบางเรื่องนะฮะทำให้เสียความรู้สึกถ้าเราปฏิบัติตามในของพรุทธเจ้าการตารวจระวังศีลไม่ใช่เรื่องยากนะฮะแล้วเสร็จแล้วจะเป็นโดยอัตโนมัติเองไม่ต้องไปนับข้อเสียเวลาเหนื่อยเปล่า เคลื่อนไหวทุกอย่างทุกไอเดียบทจะเป็นศีลไปได้เองเพราะตามปกตินะฮะตามปกติแล้วไอ้การเบียดเบียนการละเมิดศีลนะมีน้อยนะ่มมีมากอะไรท่านลองดูสิครัการสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเทศตื่มสุราไม่ไดเนี่ยมันก็ไม่ ไ, มได้บ่อยๆ อ, อะไรเนี่ยปกติเราก็ทำได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าทำยังไงว่าเมื่อยาวมวิกฤตทางอารมณ์ทางเหตุการณ์ให้ทาได้ด้วย แล้วพอเข้าถึงใจก็ข้อก็ไม่ต้องนับแล้วต่อไปคือธรมธรมะนะสัจะธรรมะอหิงสาสัญญะธรรมะธรมะธรมะแปลสองอย่างในด้านคารวะสัทธามท่านนางหลายเคยได้ยินนะฮะสัจจังสัจะธรรมะขันติจากะนั้นคือคารวะสัทธามธรรมะของผู้ครองเรือนธรรมะนี่ต้องใช้ต้องใช้สองจุดจุดหนึ่งคือพัฒนาเรียกว่าฝึก ฝึกปลือตัวเองพัฒนาตัวเองแก้ไขตัวเองพัฒนาไปเรื่อยๆที่จริงเราก็พัฒนานะเราจะเห็นว่าบางคนนอยู่หน้ากระจกได้เป็นชั่วโมงพัฒนาตกแต่งผมตกแต่งนั่นตกแต่งนี่เมื่อวานในเดินออกไปนะมีโยมคนหนึ่งมาส่องกระจกมาแต่งหน้าอยู่ที่ต้ น, ตนโพเนี่ยมานะรักสวยกันจริงเลยเข้าในวัดอะไรอยังนงั้นแะต่นะก็แต่งนะที่จริงเราก็พัฒนานะปรับปรุงให้ดีขึ้นปรับปรุงให้ดีขึ้นนั่นนั่นคืออาการที่เราทําอยู่แล้วเพื่ออะไรเพื่อให้หน้าดูหน้าชมขึ้น เป็นระบบที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับตกแต่งปรุงแต่งกันด้วยประการต่างๆเราก็ทําอยู่แล้วเพราะงั้นมาถึงจุดนี้ก็คือฝึกปรือพัฒนาแก้ไขเปลี่ยนแปลงไอ้ร่างกายนั้นเราดูเงาสะท้อนมาจากกระจกแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากกระจกธรรมะพระพุทธเจ้าก็ให้ธรรมดาสะกระจกทำเอาไว้ให้ส่องดูธรรมส่องดูธรรมซิว่าไอ้การกระทําของเรานี่ยไอันี่นี่น จ, ะจะทําไอ้นี่คนอื่นคนอื่นก็เดือดร้อนไงทําไปแล้ว เราเดือดร้อนไหมคนอื่นเดือดร้อนไหมไอ้เดือดร้อนนั้นได้โปรดเข้าใจว่าอีกอย่างหนึ่งนะไม่ใช่ว่าไม่เดือดร้อนเลยเดือดร้อนแต่ว่าคุ้มกับทุนที่ลงไปพอเราทํางานเราก็เหนื่อยนะมันก็เดือดร้อนเหมือนกันแต่ว่าผลที่ได้นั้นเป็นผลที่ดีงามไม่ใช่ว่าทําอะไรไม่ได้ทํางานเหนื่อยมันเดือดร้อนกว่าขยะเหนื่อยเดือดร้อนเลยไม่ต้องกวาดกันเลยอันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคือต้องมองผลว่าไอ้การทํางานเนี่ยต้องทงลงทุนลงแรงแต่ว่าผลได้มันมากกว่า และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลซึ่งเกิดขึ้นนั้นไม่มีใครก็เดือดร้อนเราเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนนั้นก็คือการฝึกปรือกันไปโดยลําดับเป็นการเสริมความคิดนะฮะเสริมความคิดได้มันก็เสริมการกระทําได้เสริมการพูดได้ก็พยายามแก้ไขกันไปก็ฝึกปรืออบรมที่พระพุทธเจ้าทรงยกจ่องนะฮะว่าสัตว์ทั้งหลายในสัตว์ที่ฝึกดีแล้วประเสริฐที่สุดเบืงก็หัวนะฮะหัวหรือม้า ก, ก็ตาม ม้าตัวราคาตั้งหกสิบล้านเนี่ยไม่น่าเชื่อได้มีนะฮะแต่มาตัวไม่กี่ต่างก็มีไอพวกวัวบ้านเราเนี่ยวัวที่เขาไถนานราคาไม่กี่ตังแลครับแต่วัวที่เขาเอาไปชนเดี๋ยวฝึกบันดีๆราคาเป็นแสนๆนะเพราะอะไมันฝึกมาตัวต่างนี่ตัวตัวต่างจริงคือตัวฝึกก็คนของเราก็เหมือนกันครับก็เราสิ่งที่ต่างกันนั้นคือฝึกแล้วหรือไม่ได้ฝึกฝึกสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์นี่มันก็ทําให้ต่างกัน แม้แต่ทุกวงการพวกพระพวกหมอพวกทหารตำรวจนะฮะใครที่ฝึกมาได้ดีทั้งทุกด้านเนี่ยคนนั้นก็จะกลายเป็นที่ต้องการปรารถนาของบุคคลทั้งหลายอย่างนักปร า, ราชรถนาบัณฑิตอะไรต่อไรเนี่ยใครๆก็ต้องการท่านผู้ใหญ่บางท่านอายุตั้ง90แล้วคนก็ยังหาตัวแทนไม่ได้ยังไปดึงท่านไปนั่งยักแยยยักยานในร่างพจนานุกรมกันอยู่ทําสัพทานุกมมรมอะไรต่ออะไรป้าเราก็หาท่านไม่ได้ คนฝึกแล้วเนี่ยในหมู่คนและสัตว์ทางหลายสัตว์ที่ฝึกแล้วประเสริฐที่สุดสัตว์ที่ฝึกดีแล้วประเสริฐที่สุดสัตว์เขาเรียกว่าอาชาในอาชาในมีช้างอาชาในมีมา้าอาชาในมีโคอะไรละ่ะอาสะพะวาาาัดสะพะอุสุพะ อ, อะไรตัวอะไรเนี่ย ก, ก็ฝึกไปตามลําดับนะฮะพวกขนาดวัสะพะนี่สามารถคุมบริบาลเป็นแสนได้โคระบบความทั้งหมดต้องฝึกหมดเลยเพราะฉะนั้น พอมาถึงพระพุทธเจ้าก็อนุตตรโโบริสธรรมสาระจิเป็นสาระจิฝึกคนอีกอย่างหนึ่งคือข่มนะฮะธรรมะแปลว่าข่มแปลว่าข่มใจแปลหักห้ามใจควบคุมความคิดควบคุมจิตใจตัวเองได้ในกรณีนี้ให้ลองสังเกตไม่มีขันติอยู่เมื่อไม่มีขันติอยู่อาการข่มใจนั้นต้องข่มทั้งอารมณ์กระแทกจากข้างนอกการด่าว่าการสุดประมาทดุหมินจากข้างนอกแล้วข่มใจคือความคิดตัวเอง ความคิดโดยเฉพาะความคิดที่เป็นศัตรูต่อตนเองนะฮะบางทีก็กรกลุ่มเล่าร้อนมิตักกังวล น, นอนกระสับกระส่ายแล้วก็มานั่งบนมากินยาแก้ปวดหัวนอนไม่หลับหาเรื่องกลุ่มซึงถ้าหากว่าขบใจหักข้านใจอะไรเนี่ยความความคิดอย่างนี้ไม่ดีคิดไปแล้วไม่สบายใจก็เลิกคิดพยายามข่มใจนี่คือธรรมะธรรมามีสองด้านนะฮะฝึกปลือกับ ขมใจหักข้ามใจคุมใจตัวเองได้มันมันก็เหมือนกับสารสีควบคุมคนคนขับรถควบควบคุมรถอะไรเนี่ยก็อยู่ที่การฝึกใจตกลงว่าธรรมะเหล่านี้เมื่อปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนกันแล้วนะฮะก็เข้ า, ข า, ขาถึงสัจจะจริ ง, รงๆคือรู้แจ้งอริยสัจจาทําได้เช่นนี้ก็ทําให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้ที่ไม่ตายนะฮะเขาไม่ต้องเกิดอีกแต่ว่าในชั้นของชีวิตในแต่ระดับนั้นถ้าหากว่าบุคคลทําได้ก็จะมีผลงานมีชีวิต ที่เป็นเกียรติประวัติแม้จะตัวตายจากไปนะแต่ว่าชื่อเสียงคุณงาม ค, ความดีของบุคคลนั้นก็จะยังดำรงอยู่ในโลกนี้กระไรวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพร่บูรในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวกันทุกท่านเดิน